รประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒนมหาเทระโดยละเอียดพร้อมเสียงอ่านหนังสือผลงานพระนิพนธ์อีกหลายเรื่องจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแจกฟรีเพื่อเทอิดพระเกียรติและบูชาพระคุณด้วยการเผยแผ่คําสอนของพระองค์ท่านให้แก่พุทธศาสนิกชนในวงกว้างสืบต่อไป DVD หรือ CD ชุดที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเสียงอ่านหนังสือประกอบดนตรีสำหรับคนรุ่นใหม่และคนทุกวัยมีสองรูปแบบคือแบบ DVD เป็นไฟล์คุณภาพสูงคมชัดและแบบ CD ที่บีบอัดไฟล์ให้เป็นขนาดเล็กเพื่อรวมเป็นแผ่นเดียวกันได้ดังนั้นคุณภาพเสียงของ CD อาจไม่สมบูรณ์มากนักนะครับ นอกจากเสียงอ่านหนังสือไฟล์ mp3 แล้วภายในแผ่นยังมีไฟล์หนังสืออื่นๆในรูปแบบ pdf และยังมีรูปภาพอีกจำนวนมากซึ่งสามารถเปิดดูได้จากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นบางรุ่นนะครับโดยที่แผ่น CD จะมีหนังสือแค่ตัวอย่างบางเล่มเท่านั้นส่วนในแผ่น DVD จะมีไฟล์หนังสือจำนวนมากให้เก็บสะสมไวศึกษาได้ครบถ้วนกว่านะครับท่านที่สนใจต้นฉบับคมชัด หรือต้องการนำไปออกอากาศสามารถติดตามได้จากแผ่น DVD หรือดาวน์โหลดคุณภาพสูงได้ที่เว็บไซต์ j จโ h o n e t ร่วมเผยแพร่นำไปไร้แจกหรือออกอากาศได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ห้ามจำหน่ายเพื่อการค้าหากำไรเด็ดขาดท่านที่ต้องการร่วมผลิตเพื่อแจกเองในราคาถูกเป็นราคาทุนปราศจากกำไรสามารถติดต่อไดทางเว็บไซต์เบอร์โทรหรืออีเมลที่หน้าแผ่นเลยนะครับ สภทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเจริญในธรรมทุกท่านครับ